หลักการฝึกสมาธิทศพ ล, ลยานพรนรตนาสุวรรณการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญนอกจากเราจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอาศัยเครื่องมืออาศัยทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ ให้มีความซื่อ ส, สัตย์สุจริตให้มีความมานะพยายามให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคการพัฒนาจิตใจเพื่อจะให้มีผลดังที่กล่าวมานี้ส่วนมากเราใช้วิธีการอบรมโดยการพูดให้ฟังหรือการเล่าประวัติบุคคลตัวอย่างและด้วยการให้รางวัลผู้กระทำความดีด้วยการลงโทษผู้กระทำความผิดวิธีการเหล่านี้ เราได้ใช้กันมานานแล้วแม้ในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่แต่เราก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไรนักเพราะคนที่ฉลาดและมีอิทธิพลยอมสามารถที่จะทำการทุจริตทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เสมอโดยที่ใครทำอะไรเขาไม่ได้ตัวอย่างเช่นนี้มีดาดเดือนในสังคมเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคอรัปชั่น การพัฒนาจิตใจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จึงยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราน่าจะได้คิดหาวิธีอย่างอื่นที่ดีกว่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้และวิธีที่ว่านี้ก็คือวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ซึ่งการฝึกสมาธิแบบนี้มีรายละเอียดมากข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงในภายหลังก่อนอื่นขอให้เราเข้าใจกันซสก่อนว่า การแก้ปัญหาใดๆก็ตามเราจะต้องรู้จากสมุดฐานของปัญหานั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้จิตของคนเรามีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายคนที่จะสามารถรักษาโรคทางกายได้จะต้องเรียนรู้ถึงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างละเอียดจะต้องเรียนรู้ถึงส่วนต่างๆว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะรักษาอย่างไรจึงจะหาย ในทำนองเดียวกันกูที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางจิตใจซึ่งซับซ้อนยิ่งกว่าปัญหาทางร่างกายหลายเท่าก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างของจิตใจอย่างละเอียดพร้อมทั้งรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้าพเจ้าใกล้ที่จะชี้แจงให้ทราบว่าทางพระพุทธศาสนาได้มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ อย่างละเอียดถีท่วนที่สุดและรู้จักวิธีการต่างๆที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจมานานแล้วการที่พุทธศาสนามีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าทางพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องจิตใจอย่างละเอียดถีท่วนจริงๆและสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในทางจิตใจได้หมดทุกอย่างผู้ที่เรียนรู้ถึงชีวประวัติ ความรู้สึกนึกคิดความประพฤติปฏิบัติของพระอรยิยบุคคลในพุทธศาสนาก็จะรู้ได้โดยไม่ยากว่าการแก้ปัญหาทางจิตใจนั้นเราควรจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลจริงๆจากการเผยแพร่พุทธศาสนาซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำมานานทำให้ข้าพเจ้ารู้อย่างดีว่าการอบรมจิตใจโดยไม่มีการฝึกสมาธิ จะได้ผลน้อยที่สุดแต่ถ้าหากได้นำเอาวิธีการฝึกสมาธิมาใช้คู่กันไปก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจคนได้ง่ายบางคนที่ใครๆคิดว่าคงจะเปลี่ยนจิตใจไม่ได้แต่ถ้าหากได้มีโอกาสฝึกสมาธิแบบประยุกเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้มากทีเดียวโดยใช้เวลาไม่นานเราเคยได้ยินคำว่าล้างสมอง ซึ่งวิธีการที่ทาส่วนใหญ่จะต้องมีการสะกดจิตและมีการจูงใจด้วยวิธีการสะกดซึ่งสามารถทำให้ผู้ถูกสะกดเปลี่ยนอุดมคติเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความยึดถือได้อย่างมากวิธีการล้างสมองตามแบบเท่าที่เคยทราบกันนั้นเป็นวิธีที่มีอันตรายถ้าหากผู้สะกดมีจิตใจต่ำเห็นแก่ประโยชน์ของตนและถึงแม้จะได้ผลก็ชั่วคราว ส่วนวิธีการล้างสมองแบบพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและชำนาญในการรักษาโรคซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันได้พิชิตโรคสำเร็จได้หลายอย่างโรคอันใดที่ไม่เคยรักษาให้หายได้ในสมัยก่อนหรือกว่าจะหายก็นานมากแต่มาในปัจจุบันโรคที่ว่านั้นรักษาไม่ยากในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเราได้นำวิธีการอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอามาใช้ในสมัยปัจจุบันก็จะได้ผลอย่างเดียวกันคือสามารถที่จะแก้นิสัยหรือเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดีได้สาเร็จเหมือนกับการรักษาโรคในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ดีขอให้เข้าใจว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจตามแบบพุทธศาสนานั้นต้องใช้สมาธิประกอบ ท่าวเว้นจากสมาธิเสแล้วแก้ไขได้ยากที่สุดข้าพเจ้าเคยฝ่ฝันที่จะมีสถาบันฝึกสมาธิที่ได้มาตรฐานมานานแล้วแต่ไม่เคยสมความปรารถนาเพราะคนทั้งหลายไม่赖เห็นความสำคัญของสมาธิการที่ไม่赖เห็นความสำคัญก็เพราะเคยเห็นวิธีต่างๆอย่างที่แพร่หลายทั่วไปนั้นไม่อาจจะนามาแก้ปัญหาของสังคมได้ เพราะคนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามไม่ได้และตัวอย่างจริงๆของคนที่ฝึกสมาธิได้สำเร็จนั้นก็ไม่แพร่หลายในสังคมและยังทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าถ้าคนไหนสนใจทางสมาธิก็หมายถึงว่าเขาเบื่อโลกคิดจะสละโลกไม่สนใจต่อปัญหาต่างๆในทางโลกเป็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจพร้อมองไม่เห็นว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมได้อย่างไรข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบเสียก่อนว่าวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ดังที่ข้าพเจ้าเคยสอนมานั้นไม่มีลักษณะที่เหมือนกับของสำนักไหนนอกจากจะมีเหมือนบางอย่างแต่โดยหลักการส่วนใหญ่แล้วแตกต่างกันอย่างมากมาย เพราะวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์นั้นมีหลักการโดยสังเขปดังต่อไปนี้